สมถะทั่วไปแก่สมถะอย่างไรสมถะไม่ทั่วไปแก่สมถะอย่างไรตอบเยปุยสิกาทั่วไปแก่สัมมุขาวินัยไม่ทั่วไปแก่สติวิันาอามูระหาวิัยปติญยาตการณะตัดสปาปิยสิกาตินนวัตถารกะสติวิัยทั่วไปแก่สัมมุขาวินัย ไม่ทั่วไปแก่อมมระหาวิไนปฏิญญาตการณะตัสปาปิยสิกาตินวัถารกะเยภุยสิกาอมมระหาวิไนทั่วไปแก่สามุขาวินัยไม่ทั่วไปแก่ปฏิญญาตการณะตัสปาปิยสิกาตินวัถารกะเยปุยสิกาสติวิไนปฏิญญาตการณะทั่วไปแก่สามุขาวินัย ไม่ทั่วไปแก่ตัดสปาปิยสิกาตินวัฏฐารกะเยปุยสิกาสติวินัยอมูระหาวินัยตัดสปาปิยสิกาทั่วไปแก่สัมมุขาวินัยไม่ทั่วไปแก่ตินวัฏฐารกะเยปุยสิกาสติวินัยอมูระหาวินัยปฏิญญาตการณะตินวัฏฐารกะทั่วไปแก่สัมมุขาวินัย ไม่ทั่วไปแก่เยปุยสิกาสติวินัยอมุระหาวินัยปติญญาตการณะตัดสปาปิยสิกาสมถะทั่วไปแกสมถะอย่างนี้สมถะไม่ทั่วไปแกสมถะอย่างนี้สมถาสมถัสะสาธารณวาระที่เก้าจบ